ทรงประชุมสงบัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคราบสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีหงษ์ตะกูลจริงหรือภิกษุทั้งหลายถูกรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงกหนิมว่าภิกษุทั้งหลายฉันในภิกษุณีจึงหวงตระกูลเล่า